ท waited, นนี่วิศร้าผมอุบัติเหมอุบรติเหตุลมไปยุ่เดินผมเพศส่วนบุญเดินครับนีวิศร้าได้แล้วเคยเคยเคยยืนขอแล้วผมเคยยืนขอเคยขาอนุญาตดูแต่ว่ให้เกินสิบเมตรแต่ว่าสรงแบบให้ให้สถาปนิกสถาปนิกอล่างๆพี่นึงล่างมึงไทยมากแต้ว่าสถาปนิกที okay ่มีเขี่ยนะผมดิเบิ้ล ก็ามาแล้วถาเปาอะไรทาบุญดิทำบุญหรือทาอะไรอยากคนทุกอยู่แล้วเ้า <c oughs> อยากคนทุกู่แตกลังขึ้นน้อยแค <c oughs> ่เฮยนะล่คนทุกอย่างเลยขนแฉกปะได้นเยวแําลังขึ้น น, น้อยแเอาหลวงปู่จัดเร่เราชอบยุ่งเราเียไปวัด โดนไปว่าน้อยผมยุ่งถ้าวันยุ่งก่อนโกนอ <c oughs> อกชาไปะยุ่งจีนนั่นแท่งอะไรอย่นงเ <c oughs> งี้ยลักพาไปจากวนเลยวกันปมาทำบุญมาทำบุญก่อนทำวิธีเสียบไร่หลัวต่อไปก็นั่งตัวตรงๆโรกมือขอึขอ้ไใส่ศีราะตัมูอใต้บางคนตับตัวตับมือใต้ ตาเบาเบาดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจช้าช้าให้เห็นลมช้าช้าให้เห็นลมชาช้ดัเพลสติให้เห็หนลมเข้าลมออกไม่ต้องต้องอะไรหรให้สติดูลมเข้าลมออก เกิดใสร็จศีรษะแล้วก็นั่งฟังไปทำเราก็ต้องฟังให้ทำเป็นทานเนี่ยในสงฆ์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงของปู่มานก็มาให้ไม่ใช่มาเอาอะไรหรอเนี่ยในสงฆ์ก็ให้ทำเข้าใจไหมในทำ <c oughs> ถ้าทางโลกบอกว่าบอกทำงานถ้าทำงานก็ได้ของตอบแทนถ้าบอกทำงานไม่ทำงานก็ไม่ได้อะไรนี่ให้ทำบุญนี่มบอกให้ทำบุญพาทำด้วยแล้วก็บอกทำด้วยบอกวิธีทำด้วยเป็นยังไงเมื่อกี้หนึ่งนาทีสบายไหมสงบดีไหม นนแนวทางของพระพุทธเจ้าเอาทำคํำจงสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดถู่ฟังพ่อแม่ฟาดฝึกฝนอบรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าได้เห็นยังไงก็มาพูดถูกฟังได้แล้วไม่มาพูดถูกฟังประเทศเราก็ไม่เจอพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้พระสาวกแล้วก็ให้พระสาวกไปเผยแก่ พระคุณทศศาสนาตามชมพูทวีปนี่แม่ขุนมากในขวัญกาอยู่ที่นี่ทได้ปฏิบัติยังไงยังไงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าพูดสู่ฟังมาพูดสู่ฟังไม่ได้พูดให้ทําตามนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อพระไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อหนังสือตำราไม่ให้เชื่อได้ยินแต่เขาเล่าลือมาไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมา ให้เชื่อเลยให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อถ้าไปเห็นพระพุทธเจ้าก็ให้เชื่อเหตุผลเหตุผลถูกต้องเหเห็นผลถูกใจ1ถูกต้องสองถูกใจ ม, มีสองอย่าง 1, 1> นําบุญสองทำทานหนึ่อาหารกาย2อาหารใจหนึ่งเลี่ยงกายสองเรี่ยงใจมีสองอย่างอยู่อย่างนี้ในตัวของเรามีกายก็มีใจ ถ้ามีกายไม่มีใจเขาก็อยู่ไม่ได้กายกับใจอาศัยซึ่งกันและกันเพนะราะฉะนั้นอยากให้เน่นหยุดนี้เน่นภาคทำบุญติติโฉมนุสสะสติลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาภอปนประเสริฐติดชังพุท ธ, ธสมุปปาดังการได้มาพบพระพุทธศาสนาเป็นลาภอันประเสริฐ ติดังสัว์ทำมั่นสวันดการได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นราบเป็นพระเถิดทีลาบแล้วสองสามลาบแล้วนะหรือว่าโชคดีก็าได้นะเป็นราบหรือก็เป็นบุญยิ่งใหญ่เรามาด้วยบุญเราอยู่ได้บุญไหมทาบุญนั้มาได้บุญต้องอยู่ด้วยการทําบุญเรามาสร้างบุญสร้างผุศมาเต็มเปียบทีได้ตาตาพของคน สมบูรไม่มีขัดตกบวกฟ้องนะถ้าพวกขัดตกบวกฟ้องอวัยวะไม่สมประกอบนั้นเสพเสพบุญเป็นบาปปวดงูหนวกตาบอดเป็นฝาแฝดล้างแช่งศีสรษเติดกันอะไรกันเลือะแยะขอต่อขอทานเต็มโลกเต็มสงสารอยู่ใครอยากเป็นหรอถามขอขาก็ไม่อยากเป็นนะ นั่นแหะที่ว่าเรามาด้วยบุญเราอยู่ด้วยบุญเราก็กลับบ้านเข่าด้วยบุญถ้ามาด้วยบุญเราอยู่ด้วยบาปขาดบุญน่ยประวัติจังกิตตังธรรมชาติใจทุกดวงอากเกิดมาเป็นคนอยากเกิดมาเป็นมนุษย์แต่คนเกิดไม่สามารถที่จะทำตามคำสอนของคผู้เจ้าใจต้องมนุษย์ติดโสมนุษย์สาปติลาโภนะคนกับมนุษย์ไม่เหมือนกันนะทหารกลางโลกเขาเทียมพวกนักเรียน ธรรมดาโรงเรียนธรรมดานั่นอย่างมหาลนั่นยิ่งจะสมบูรณ์แบบคือเข้ามหาอะไรจบมหาอะนั่นนี่หลกนี่เหมือนกันอักพระพุทธศาสนาคนธรรมดาเขา จ, จะว่าไงทาที่เราตถาคตได้ตัถรูยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ ไม่ใช่คนธรมรมดานะต้องมีความภาคภูมิใจใช่ไหวเราก็บอกลุแล้วบอกลอีกบอกแล้วบอกบอกีอกนึก่ถ้าอยากเหนือจากคนธรมรมดาก็วงออกที่พระเจ้าแต่าทาอะไรละ่ะอันดับแรกวงผ ม, มก็มันไปติดตรงนี้นะมันไปกินระบบสมองหมดรากผมไ ม, ม่ไม่ไม่ไม่รู้จักอาหารกายอาหารใจไม่รู้จักทําบุญทําบาป เราดูจะทำบุญทำทานทำทานอาหารกายทำบุญอาหารใจอาหารใจไม่ได้ซื้อทำไมไม่ทำพัฒนากิจตัณธรรมชาติใจทุกลมนะอยากเกิดมามนุษย์อยากกฆษณาอยากปฏิบัติธรรมตามคําสอนของปกติจักเพื่อไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเก็บ ม, มาตายยางอยู่นะมะขุนในความยังนะถ้าดูก็เห็นก็รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่รู้เห็นบอกดูหนึ่งนาะทีเมกี้ ดูสวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจไม่ต้องไปพูดถึงปณิภาระมาดูสวรรค์ซะกก่อนแล้วจิตใจก็จะดู ด, ดมขึ้นเองจะมีความเชื่อมั่นขึ้นเองนี่สวรรค์เมื่อเเห็นคุกตีเืองนรกโลกนี่คือโรกโ ล, ก น, นลกนี่คือหมูสัตว์พ้องดูเป็นนิด <c oughs> เอาไปเข้าใจง่ายๆนะโลกคืออะไรลํารวยสวยงาม ถ้าเข้าใจว่านรกใครจะอยากมาคุกคีอยู่กับนาโกนั่นเห็นไหมไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาเราเรียกเป็นสามัญชนคนธรรมดาใช่ไหมจึงไม่อยากหนีจากนรกเข้าใจว่านรกมันสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจนี่แหละเมืองนรกเท่าสีทนตามนา ม, มะโน ล, ลามิธานของหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เสกพูดให้ญาติโยมในวันศีลมันพะัะ ไอ้เ จ, เจ้าเปวดเรื่องเาสิทนเนี่ยตามนางมโนลาเจปีเจเดือนเจ็ดวันจึงเจอไปเจออยู่ที่ไหนไปเจออยู่เมงินผูเงินเห็นไหมมโนคือใจใช่ไหม ท, ไทําไงจึงจะไปเจอดิใช้ความอดทนอะนี่เราไม่ไม่มีความอดทนนะไม่มีความอดทนละอายว่ละอายละอายเสียสละไม่ได้ละอายละอาย เดี๋ยวตวงผมออกไอ้ไอ้ไอ้นะบอกตัก้ไหต่ตัวเชนั้นแหละถ้าไม่เอาออกที่มันขวางอยู่ตรงนี้บางคนก็ไม่เข้าใจแถวผมจะได้พระสวรรค์นิพพานหรือนะก็ถอนออกตีละตั ว, วกถอนออกค่อยถอนออกแล้วก็มันจะเป็นไปเองแล้วไม่ถอนสักเลยก็ยึดถือจนนั่นแหละของกูของกูของกู เห็นไหมออกตัน่าอมลูลกหลานทใไมทุก ว, วันผมดีๆย่อมหัวเดียวสามสี ส, ส, ส, สีผมดีๆราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ผมสีแดงสีอะไรเต็มไปหมดอขนตะาดีๆไม่เอาแต่งใหม่ไม่รู้เขาขนผีหรือขนอะไรมาทำลนะเล็บมือดีๆก็ไม่เอาต่อใหม่ผมขนเล็บฟันหนังนี่ผู้เจ้าสอนพักวิถุสองหรือผู้เข้ามาเรียน ทา่านจงเรียนพระก็มาถานเจกศาลรมานณคาดันตาแตาจูแตจูดันตาณคาลรมาเจกศาพินาศกลับไปกลับมากลัไปกลับมาให้เห็นเป็นไปตามความจริงแล้วก็จะเบื่อหน่ายเราไม่เห็นตามความจริงเห็นแต่ตามจอบจอบปลอ ม, อมใช่ไหมปลอมผมปลอมขนปลอมเล็บปลอมฟันปลอมหนังอยู่ในความจอบปลอมไหมปอมลอมเรารวงตก็เองปอลอมเราลงก็อื่นหามาวันมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอใจเดีย๋ยวนี้ขอลองอีกแล้ว ค้าแรงขอ400 500สมัยก่อนเงินเดือนพ่อแม่คุณป้าชันพูดให้ฟังหรือจะพ่ อ, อย่าง เ, ย, งเยี่ยคนหลวงปู่อย่นนั่นแหละอันเป็นครูนจากครูมาบวชเงินเดือนแท่1 2บาททุกวันนี่กี่แสนละทำไมไม่ปอใช่หรือสมยก่อนทำไมปล่อยใช่หรวิ่งตามโลกไม่ทัน เดีย๋ยวนี้ข่าวมาแล้วรถยนต์ไม่ต้องมีคนขับเห็นไหมวิ่งทันไหมโลกนีไม่ทันหรอกะสินธรรมมันก็มาโลกาพินาศเห็นเกิดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายน้ําท่วมที่ไหนที่ไหนไม่เคยท่วมท่วมไปหมดฝนตกมาเอาโรกเห็บมาลื้อพ่อมเอาลมมาลื้อพ่อมพายุมาลื้อพ่อแฟนบีมก็ไหวไปถกของตัวเ่งแล้วเห็นไหมเดี๋ยวจะคอยเอาอะไรอยู่ ควรจะได้พบอยูนี่ทําไมไม่ตื่นตัวตื่นใจบ้างทำไมไม่ปลุกใจให้ตื่นบ้างทําไมไม่ดูใจบ้างทำไมไม่แต่งใจบ้างทำไมไม่รักษาใจบ้างผู้ดี่จะพาไปคือใจใจรู้จักบุญใจก็บุญพาใจไปใ จ, ใจไม่รู้จะบุญบาปพาใจไปไปไหนไปตปลกลงโกร่ำรวยสวยงาม น, น่ะมาจากประเทศไทยเครื่องบินสนันนิษฐานอะไรเขาจากไ้อะไรเขาจากร่ำรวย มันรยมาแล้วเอาทำอะไรประดัประดาตกแต่งให้สวยงามถ้าเอาธรรมะมาแปลนะโลกนี้ <c oughs> อยู่ด้วยความปีนป้อนหลอกลวงหลอกลวงตนเองหลอกลวงคนอื่นไม่หลอกลวงไงก็ความความความความให้เป็นอย่างนู้นความให้เป็นอย่างนี้เอาธรรมะมาแปลขนตาคือฟีบีจังหวะตาก็แหลมตีมันแหลม <c oughs> ไม่เชื่อที่เรียนทีเป็นยังไงเพราะเราเข้าวัดไม่ไปทำบุญเอาจะขอม า, า, าตะ า, ตาตวพระพระชุกเพราะว่าทาบุญพุท <c> ศ <oughs> าสนาจะเจริุงร่งเรืองไปจากพุทธบริษัทสีทีุขมเนนอุประสงค์ผู้ิการทเป็นถูกต้องตามหลักทำยัไงได้บุญถ้าทาให้ถูกต้องตามหลักทำยังไได้บาปบาปเป็นยังไงติ ไม่รู้เพระเราไม่ดูบุญต้องเห็นบุญก่อนกินจะรู้ว่าปากเป็นยังไงเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ท่านอยู่เพื่ออะไรถ้าไม่หวังจุดนี้นี่จะควรมุ่ไหมายทางลู่ก็มาเสียสละออกวิหารธรรมมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจเอาธรรมะเป็นเครื่องอยู่นะไม่ใช่เอาโบทเอาวิหารเอาศัลาแต่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็อยู่ไม่ได้ อยากไหเน่นนะ่ะพระทำบุญอยากให้เข้าใจด้วว่าไปวัดทำบุญถ้าไม่ไปทำบุญไม่ต้องไปดีกว่าจะไปบุญนวายกับพระโดยเฉพาะเจ้าทรงอนุญาตให้พระผู้ทรงองอกบิณฑบาตบินิบิณิจโอโกเจนะิีาทายาภรณประชาตตะเตจวัิวามุสโรรโคุลนิยตงมบิณฑบาตยัที่นี่มาอนุโลมนิหน่อยคือต่างประเทศลำบากลำบนก็เลยมาส่งเสริมนะ <laughs> ตาสเสริมเลยญาติโยมมาทําอยู่ทีในวัดเพราะลำบากไปแล้วก็ไม่มีคนไส่จะไปรู้ไปอะไรแต่หลวงพ่อก็ไปอยู่นะก็มีใส่อยู่บางทีก็โก่งแขนใส่เป็นลูกฟับทอมใส่เป็นลูกมันไปยินโดริเซียก็ยังใส่ไข่ดิบเลยเขาก็ไม่รู้ว่าพักคืออะไรนะเขาก็ใส่ไปไม่มากเขาเป็นฉลาดจริงหรอ ใดๆทได้เพื่อป้องกันไม่ให้จ้าจงไปยุ่งที่วัดนั่นเจ้าจึงทรงสั่ง ส, ส, สอนจุดนี้นั <c> ่ <oughs> แลอยากให้ไปวัดไปวัดไปทำบุญจะให้ไปกราบไปไหว้าปสวดนมนต์นิดๆหน่อยๆตามตําลัศรัทธานวก็นั่งดูลงเข้าลงบอกคุมเข้าลงบอกได้ซื้อตรงไห น, นองคิดดูนะอ่านใจไม่ได้ซื้อนะแต่ทำไมไม่ดูหรอ ทำไมไม่เน่นจุดนี่ทำไมไม่เน่นจุดทำบุญทำบุญพระเจ้าก็ะรงในเมืองไทยททกี่วัดกี่รูปแล้วสอนในญาตโยมปลูกให้ญาตโยมเน่นเรื่องการทำบุญจะได้เกิดสติจะได้เกิดปัญญานะส่วนมากมีแต่ไปฆ่านิยมทำฐานถ้าเข้ากรุงเทพรถคันไหนเต็มหมดเต็มหมดแต่พิธีงานนู่นงานนี่โอ้มีรูปกี่เก็งครับ สินของใส่ไม่พอไปคานิจมถ่าเรื่องสินก็ไม่มีละแล้วก็ยังวัดนี่มีหมู่มบา้านสิหลังคาเรือนหรือห้าสิหลังคาเรือนวันสินวันธรรถือไม่ก่อนเท่าปวดนุ่มแน่นไปไต้มมัดพระพุทธเจ้าสอนคนหาสินหาธรรมสอนคนหาหกปีจึงได้จัตรูไม่ใช่หาวันหนึ่งสองวัน สอนให้คนมีจิตศรัทธาทำตามคําสอนของผูเ้เจ้าบ้านไม่เช่าเขาไม่ได้ซื้อหาที่ให้ได้สอนให้ปฏิบัติเพื่อไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาต า, ายหาที่ไหนได้ถ้ามาเจอแล้วไม่ไดีทเาเอาจะไปทําเวลาไหนสอนคนะน ะ, นะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยผูเจ้าสอนทั้งเทวดาแต่เทวดาต้องหมดอาอยุเวทวดาจึงจะได้ไป็ใสขึ้น ภูมิที่สูงสุดภูมิที f, ol, Kaiser, ía, e. ama, ่ดีที่สุดก็ภูมิของคนหรือภูมิของมนุษย์อย่างเดสามารถที่จะปฏิบัติตามทาคํำสอนของพู้เจ้าได้เลยได้เลยทุกวันถ้าทําตามคําสอนของพู้เจ้านะก็มีแต่คําพูดเฉยๆจะพูดได้ในเวลาอาหารหรอไม่ใช่ว่าอิ่มเพราะคําพูดใช่ไหมอิ่มเพราะเรารับประทานบอกใจบอกใจบอกให้ทําให้ทําให้ทําไม่ทํา ตรงั้อาหารบอกให้ทานเท่าไหร่ก็ไม่รับประทานทีนอาหารใจบอกรับทานเท่าไหร่ก็ไม่ทําไม่ทําไม่รับประทานเต็กรู้จักกิงไงจะรู้วุ่นจะเป็นยังไงไม่เวลาไม่รู้วุ่รกไม่รู้ป่านะรัู้สวรรค์ไม่นู่นนรกเพราะเราไม่เคยดูสวรรค์ไม่ต้องไปคุณหาเราคุณหาที่ใจสวรรค์ในออกนรกในใจฟังรู้ที หน้าไปทำให้หอบถ้าหลวกู่ได้สัง่งเด็นแล้วทำไมไปไปหอบบินตบบาทประเทศทไทยมาอาจจะจมฉันหน่อยสู่ชาายมจินหน่อยเอาแนว น, นั้นไปยินจะเชื่อให่ของคนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นให้ทำเถอะดูมุกี้เนี่เป็นยังไงสบายไหมสูกอื้นยิงกว่าความสงบไม่มีนี่คาดคิงเดียวนี่แหละ คนที่เข้าวัดขาดจุดพระทำบุญท่านศีลบุญพระเวทเจ้าให้ญาติโยมทําอะไรเวลาพระพุทธเจ้าได้แต่ตรู้แล้วระญาติโยมก็กระวัตจะทำธรรมะสาหรับกระวัตทุกฟองเดือนให้ทําทานให้รักษาศีลแล้วก็ทําบุญท่านศีลภาวนาหรือว่าภาวนาเห็นไหมอย่างที่พูดเยอห้าสิบก้อนหลังแต่วันศีลนั้นพระแบบมีคนเท่าคนแจกมทยถือไปคนเท่าคนลัก บางวัดต่างหาผู้ชายจะเป็นสวายอาหารก็ไม่มีวันพระแท้ๆนะจะไปทำปีไหนจะไปทำครบไหนชาติไหนติง เ, เขาทุกที่สุดคือหาที่เกิดเราคำในเวททายโยมพิบาลทายโยมพ <c oughs> ิบาลเทวดาคอยถามอยู่นั่ น, ว น, นเวลาเสียปีวิทย์กัเขาเขียนชื่อไว้หมดสักใครจะไปวันไหนวันไหน จะไปถามอะไรตั้งใจว่าจะไปสายายตั้งใจว่าจะไปเกิดเป็นคนแล้วจะไปปฏิบัติตามคำสอนของคุณเจ้าไปดูสวรรค์ไปดูนิทานไปดูไหมอ่าเอาอะไรตอบเขาเขบอกว่าไม่มีคำตอบคุณมาจากไหนมาจากเืินมาโลกก่อไปที่เดิมเสียงจ่ได้นะมีแต่ใจอ่ะ ไม่เหมือนเรามีร่างกายนะกรรมมุนาวัตติโลโกสัจโลกเป็นไปตามกรรมนั่นกฎของกรรมกรรมมันมีสองอย่างหนึ่งกรรมดีสองกรรมชั่วหนึ่งกรรมบุญ2องกรรมบาสนั่นเถียงไมได้เรื่องของใจ <c oughs> เขาบอกยังไงต้องไปตามนั่นเจ้ากมนาเวรบอกพระยาโยมีบาน ท, ทุกขี่ไปทงนั้นไปตามนั้น เรตั้งใจว่าจะมาดูแต่ไม่ดูอ่ะเราะว่าเราไม่ดูทางไปเราจะได้ไปทางได้ยังไงมาวัดนี่เหมือนกันถ้าไม่เคยมา ถ, าถามคนที่ไม่เคยรู้ใครจะบอกถูกว่าไอพันธิพาสนสังหวรดอุบลเหมือนกันผู้เจ้าสอนคนมีชีวิตไม่ได้สอนคนตายแล้วก็ถามใจของเราดูสิเราเป็นคนไหมทําไมไม่เชื่อพระคติจกักรควรจะมาเจอจุดนี้มันจะ ถ้าพูดเรื่องยากก็ยากนะแต่พูดเรื่องง่ายก็ง่ายนะดูลมซื้อตรงไหนนี่คํำของพูะเจ้าพูะเจ้าจ ะ, จะรู้เพราะอนุบาลสติเพราะดูลมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยทําตามคําสอนของพระเจ้ามาดูแล้วนะอยากให้เ น, หน้นนี่นี่มันไม่ได้ซื้อ รมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายแต่ทําไมไม่ดูเราเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคือตีตายแต่นอ๊ะใจติดขัดทุกอย่างคือตีตายแต่นอ๊อฟ <c oughs> ถ้าตายไม่มีทุกยากแต่ว่ากําลังที่จังจัดนั่นแหละคือสิตายถ้าตายสายสารทุกอย่างคือสิตายแต่นอ๊อฟลำบากคือติตายแต่นอ๊อถ้ามีสมาธิเราไม่ลําบาก เรื่องตายเป็นความเล็กน้อยเพราะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ของสังขารร่างกายเกิดแล้วแก่เจ็บตายไม่ได้ไม่ได้สวด้ทุกเกกชา้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นธารธรรมโมหิฉลังอนาติตโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาแตหนีจากจความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ นี้ถือมีวัดว่าอารามมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์มาอยู่อย่างนี้แล้วเราจะว่ายังไงอีกตะกอนตะลองขอโอ้ยลาบากลำบนไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มันกําลังทางใจเดีนี้กบมาเหนไหมมีการมีงานกบเหมือนกับเมืองไทยพระเจ้าพระสงฆ์แยอะเด็ก็มีวัดใหญ่ใหญ่อีกทีด้วยเห็นไหมจัดสถานที่ไ้โอ้เลือกเอาตรงไหนโดยเฉพาะต่างประเทศที่ไม่มีจุงจะตัดที่หรือที่ด้วย ไม่ต้อุ่ไวากับหาโม่งหากดนั่งตง้งไหรกนะ็สนุกทำนะสนุกทำวุ่นนะไม่ใช่สนุกเอาของมาให้พระยุ่งแต่โดยอาหารใจพวงนี้จะเป็นยังไงวิ่งงานในใจเดีลงทานเกี่แห้งกี่แห้งก็ไม่รู้วนนุ่นก็จัดมาคนนี้นก็จัดมาเต็มไปหมดละ เนืค่ารีโยมไปเนือไปทางอาวิตปุชาหีิเยอะไปทางอามิธไปทางทําฐานแต่การทำบุญทั้งๆที่ไม่ขอไม่ได้ซื้อไม่เดือดร้อนใครก็ด้วยทําทานดีไม่ดีเดือดร้อนนะไปบอกมงกอขั้วโอ้พระเจ้าประสงค์จะมีที่ตีความดังโน่นดังนี้นะขอบเ ก, กินจะโยมมาช่วยทำดังโน่นดังนี่นะไม่มีจิตถานจะเป็นก็ต้องออกละ เขามาหาเรื่องอะไรมันจำเป็นออกละนะทำเป็นได้บุญทําไม่เป็นได้บาปมันสู้ทําบุญไม่ได้โดยตรงนะทานศิ้นบุญให้ก๊กเลยอย่างน้อยที่สุดให้ทําวันหนึ่งหนึ่งนาทีนะวันหนึ่งหนึ่งนาทีนะอาหารใจวันหนึ่งให้อาหารใจหนึ่งนาทีวันหนึ่งมีกี่นาทีคิดดูแล้วก็วันสิ้นวันพระ เดือนหนึ่งมีสี่ครั้งทำไมรักษาไม่ได้เป็นอะไรกลัวตรงไหนขัดตรงไหนวันธรรมดาปล่อยให้ขัดตรงไหนก็ไปทำให้มันเต็มใจอยู่ที่สงสัยตรงไหนวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันพระแต้วเราไปจุดรับพระแช่นั่นทำไมต้องถามก็ไปถามใจของเราเราจะไปทำเมื่อไหร่พวกหนึ่งชาติหน้าไม่แน่นอนนะเห็นไหม ทำคำสอนของพระเจ้าแตา่ตตละปีแต่ละปีเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปวุ่นวายุ่งเหยิงเข้าไปยุ่งเหยิงเข้าไปทุกวันทุกวันตึงตุบเหตุการณ์โลกนี่วุ่นวายเหตุการณ์โลกไปแผเจ็บหมุนพข้ามาเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตธรรมชาติก็แสดงขึ้นมาแล้วเห็นหั้มพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธศาสนาให้ไว้คงปัจจุบัน 5,000 ปีแค่นั้นนะอันนี้คกึ่งกลางแล้วนะ พวเราโบราณพวกลำหม้อลำแต่ก่อนนี่สองปัญหาโลการไว้วันคนติดตายเมื่อสันนปดาห์ไไหนใสกัปดาห์นว่าประเทศไทยเสื้อน้ามือเขาตายเท่าไรแต่ะละแล้วก็เป็นอีกทุกวันวก็เป็นบ่อยๆถ้าเป็นคืนหนักๆเราจะเข้าใจว่าจะเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนันนางหน้าไม่เที่ยงรีบทำเอา ตายภพนี่ตายด้วยการปฏิบัติสินธรรมตายกับข้าวของมั น, มนที่พราเราเกิดมามันตายอยู่แล้วด้วยรักษาที่ไหนไม่มีตายผมมีโรงพยาบาลของขพระคุณเจ้าแค่นั้นนะ่รักษาที่วัดมารักษาไก่รักษาร่างกายรักษาไม่ได้หรอกหายได้ก็ยังอยู่คือตายนะแต่ของ้าพระคุณเจ้าล่ะไม่มีเกิดแก่เจ็บตายมาจากไหน ใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายก็ไม่ดูไม่รักษาเพราะมันน่าตระดนกทางเมตนะนพูดแต่ใจก็พูดแต่ใจก็พูดมีแต่พูดแล้วทําไปถุงสี่ถุงห้าเห็นไหมหล่ะค้ามทุนจุนผิดผิดไปเที่ยนี่นประเทศไทยบวชหน้าก็ต้องแห่แหไปแห่มาทะลาะ ก, กันแต่สวดมวนต์ไว้พระตีะรังทะเลาะ ก, กันอีกเขาอยากพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนเขาคนาุนษาออกคนุนษาเดี๋ยวนี้กําลังซ่อมกองยาวกันไม่มีพักผ่อนละประเทศไทย แค่ไปแห่ทุ่แห่เียนแห่กระเทียมแบบวันนั้นวันนั้นพิธีกรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ใช่จเลยพิธีธรรมพุทธศาสนาะวัฒนธรรมกระตั้ ว, วัฒนธรรมตั้งมากี่แห่งแล้วทุกวันให้จํานวนคนกี่คนทุกหมู่บ้านมีวัฒนธรรมแต่วัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าทำไมไม่ออกมาไสเราเอาแตวัฒนธรรมโลกวัฒนโลกมันดุอาชวนกวนพูดไรกัน เรื่องของทางโลกก็ไปทำเธอตามเทศบาลกันเทศน์ั่นทวนผู้ว่าจำไปในต่างจังหวัดในอาเภอก็มีห ล, ละัวนอำเภอชวนผู้จ่บ้านกำ น, นันที่วัดนะวัดนะไม่ใช่บ้านนะของในจะนมออกของนอกจะนำเข้าเรื่องโลกโลกจะนำเข้าวัดวัดกายได้กากวัดวาจายนานสกาเนะวัดใจดูให้นิ่ง นั่นรัดกายรัดาจากรัดใจไม่ใช่ไปหาค้อนัำทัพระโคิดสีตีเป่าร่องัำทาเป็นพระเจ้าให้ไปกราบไหว้ด้วยการไปบูชาด้วยการกราบไหว้ไม่ได้เอารอกไม่นั่นหลวงพ่อเมื่อกี้นี่ไม่มีสดอกแล้วก็นำผ้าหาพูกก็เทียนมาจุดถามหาบ่มีจุดไปแล้วจุดไปแล้วคือบ่ไม่การผูกพว่าอีกคือบ่ได้เกียยคืบ่ไม่สนใจเท่าแหร่คือบ ท่านไมลหลงอันหลงทางต่เที่ยวทั้งเวรเส่งหลายนิจคำโมตัพัวบอกว่ามิจิสาคำท่าการกอดวัดชาอิสานคนจ ะ, าา ม, นะาานมาวัดอีกพวกหนึ่งไปซื้อดอกไม้ทุกเจียนอีกพวกหนึ่งมาถึงวัดแล้วก็ใครไปถึงก่อดกันนั่นแหละโมตัพัวบอกว่ามิจิสาคำทา่าเที่ยวตั้งเวรก็เที่ยวทางโค้ ง, งไปทางโค้งเมื่อไหรจะถึงวัดวัดสักทีทั้งตงมีอยู่แต่ปไปไปทางโค้ง มันก็เป็นเสียเวลาที่เป็นประทดีของลูกของหลานต่อไปทําอะไรคํานึงถึงความได้อยากคํานึงถึงความเสียอย่างเช่นหลวงพ่อมาตัมนี้นะอยากให้เข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าสอง่ายแต่คนชอบยุ่งฟังดูซิแล้วนะดึงยุ่งมาทำง่ายนิือมือของเราใ <c oughs> นมือของเราง่ายไม่ได้ซื้อ วันหนึ่งไปตรวจมอนดูมอนเฮีนบอกแกโยมบอกว่าไม่ต้องมีต้อก ม, มาชุกเทียนไม่ต้องมีได้หรอกเจ้าของบ้านาไม่ลงมาแขกมาเยอะหอกมีแขกคนหนึ่งพูดว่ากับลูกน้อง <c oughs> เอ๊ะทำไมไม่มีแกกันดอกไม้ไม่มีทูบมีเทียนเหรอพอดี เ, เยินเช้านั้นเด็กคนชาย ก, กลัวเจาา้าน้ากวาดนะแต่หลวงพ่อสั่งแล้วก็สั่งไว้เรา จะวิ่งจะไปซื้อขอกใหม่ข้ามถนนไปข้ามถนนรถชนตายจ่อยนะเพว่าผมเสียใจอยูอยอ่กํของเขาจะไปเสียใจเถอะกํามาถึงแล้วก็เป็นไปตามกมนะาํานั่นนะคุณพ่อสอนง่ายๆเอามือไม่ได้ซื้อกลกบงามๆแล้วเวลากลับก็ถือกลับพ่ อ, อ, พอเราใส่แกกันในประเทศไทยไปยกไปยุ่งไปไข่ใส่แล้วไปต่อคน แกกันบอกใหญ่ๆใช่ด้วยในประเทศไทยนะ <c oughs> น้ามไปใส่ดอกบัวไปใส่สองสาวันเหม็นคุ่มยุงไปไข่ใส่พสระสงฆ์กไปเทก็ไม่ได้มันน้ามีตัวสัตว์าา ท, <c oughs> ที่ทำเธอไม่ได้ซื้อเรากอาหารใจนะอยากไปปรารถนาอยู่นั่นนะเวลาทานอาหารไม่เห็นปรารถนาละยอมยอมทานอาหารนะ อิฉันพบหน้าชาดหน้าอิฉันจึงจะทามเราแก้าข่าไม่เห็นใครว่าเวลาอาหารใจละทําอะไรที่นนิพพานนัปโยโหตุานาคาเตกาเลอ ย, อยากไปเห็นอนาคตอนาคตมันไม่เที่ยงเลยพูดทีเจ้าสิ่งใดที่ไม่มาถึงสิ่งนั้นยังไม่มาถึงสิ่งใดที่ร่วมไปแล้วสิ่งนั้นจงละเสียแล้วอย่าให้มาตามอยู่ในจิต ปัุปนังกะโยธรรมังวันนี้เราทําบุญเราทำบุญหรือยังวันนี้เราทำได้อยู่เวลานี้เราทํำได้อยู่ถามเข้าไปสิดคูคำของผู้เจ้าไหมี่ว่าไปทําบุญหเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าทําบุญกินง่ายไหมไม่เอา น, นั่นแหละพรดัชนพผู้เจ้าจาึงได้บอกไว้ว่าทําที่เราตถาคตได้ตรัสรูป จ้าที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ทั้งๆ ท, ที่ดูลมหายใจเข้าออกนะทําไมได้เคยบอกบางคนได้ดูเป็เจอที่หลังเป็นยังไงของพ่อบอกว่าให้นั่งสมาธิหนึ่งนาทีทุกวันทุกวันผมยังไม่ได้นั่งเลยนั่งเห็นไหมนี่บางคนเคยดูบ้างไหมเคยดูลมไหมตั้งแต่เกิดมา ตัต้ใจมันลืมเพราะมีร่างกายร่างกายเป็นของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ของเราถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ร่างกายนะดินน้าลงไฟมีดินมีน้าํามีลงมีไฟธาตุใจเป็นตัวของเรานะี่ยประพัดตารางกิจต่งางๆมาเกิดเป็นจุดนี้ครับแต่มาเกิดแล้วก็มาติดกายหัวกายสังสาร่างกายเห็นไหมยุ่งกันดูนี่ตอนเด็กๆ เ, เป็นยังไงหนุ่มขึ้นมาเป็นยังไงยิ่งยุ่งทุกวันเนนียโอกาสที่จะเห็นใจหลือ ไม่มีเลยบอกทําบอกดูใจไม่ดูอยากเห็นใจยังไงถาาเห็นก็เข้าดูสิดูทุกวันทุกคันเสิถ้าเห็นเรานามเข้านามเข้ามันก็เป็นใสัยเปนปณสัยเป็นวาตนาเป็นบารมีอไม่ขี้เกียจอะไรนี่เราไม่ทําบอกว่าปฏิเสธทาไม่ได้ทําไม่ได้ท่านไม่มีบุญทัานไม่มีบุญไม่มีบุญจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พพูดศาสนาได้ยังไง เรามีแล้วเราจะอยู่ด้วยบุญไหมต้องถามใจของเราเรามาด้วยบุญเราอยู่ด้วยบุญเรากั บ, บ้านด้วยบุญเรามาด้วยบุญเราอยู่ด้วยบาปขาดบุญแล้วรูปบาปไป่ติดเห็นเป็นยังไงต้องเห็นบุญเท่ากับไม่รู้นอกบาป <c oughs> ไหนไปทำเกิดสิงรุงแจ้งเร า, านพอใจะนะอาหารก็แต่ที่จะ เต็มหม้อเอาครึ่งหม้อแทนที่จะเต็มปิโตเอาครึ่งปิโตแทนที่จะเต็มตาอครึ่งจานช่วยพระสงฆ์ถามที่เหลดเปิดพูดเัื่องโยมนะอย่างในเมืองไทยพระพษษรจิรนษณจะเจริญพระจากพุทธบริษัทสี่พิจุสมเนรุบาศก ค, คือผู้ชายอุปติกาคือผู้หญิงเวลาเห็นพระสงฆ์ไปเป็นตบะถ้าองันในบรพอฉันแบบนี่ม์หลวงพ่อกับว่าเจ้าข้า ที่ว่าเป็นบาปตีน้องากาลัวว่กาล้าเล้ารับเล่าน่ะเห็นบหมถ้าขับพูดดีๆทำไมไม่กล้ายังมีขาวอีกด้วยประเทศไทยบินทา บ, บาทขายอ่ะน่นไม่ใช่ต้งนี้นะพูดสุขทั้งไม่ได้พูดให้เชื่อเข้าใจไหมถ้าช่วยพระสงฆ์ขาดที่เหรียจะได้บุญพระพุทธเจ้าเลยมีตากาถายเทอาหารไหม พระฟ้าชันแลก็ับในระัินัยห้ามปเป็นด้วยนะพระสงรับอาหารเกินขอปากบาทแต่ ก, กัจจาบินรับปรทุณิชาศิากรัตาะะะนในเศรษจีวัดเรื่องบินทบาทเรื่องขอบฉันบินบาทมีสิบข้อเรื่อ ง, งนงหมอีกเครื่องแสดงการแสดงทำอีมีแต่ละข้อแต่ละข้อเสรียวัดเจ็ดส่หัวข้อเนี่ยอุยามานิยทุกิงอย่า ง, อางบอกไว้หมดทุกประจัก เราก็ไปปฏิเสธทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทำลองดูเราจะไม่เสียใจทุกที่สุดคือหาที่เกิดจากมาพวกุศลธรรมาแล้วไม่ได้ทำจุดนี้เราเสียใจพอเวลากลับไปเราใจมันละเอียดไม่มีร่างกายด้วยนี้ของมันปกปิดร่างกายก่อนนี้ะแม่แต่ผมแก่นีที่ยังบอกเอาออกไปังไม่เอาออกไโยมในหวัวอยู่นะ ทำลายคิดถี่ความคิดถือว่าของกูของกูงามของกูงามเนี่ยน่าก็แสดงว่ากกเขาแตกหัวเขาที่พบเปสวรรค์ในผ่านได้เหมือสิบวันได้หรือเาสิมาเถียงเอาออกแล้วการปฏิบัติตดดั้มดีความนึกคิดความ ด, ดั้มดีอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กคำมิตรระวังคำพูดคิดแบบโลกิยะ ธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความเบื่อป้อนบุญบายให้เกิดที่เลียก น, นั่นไม่ใช่ธรรมคาสั่งสอนของพระพุธทธเจ้าธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความสงบนั่นเป็นธรรมคาสั่งสอนของตัวเจ้าเราขาดตัวเดียวไม่มากหรอกขาดธรรมความสงบสงบมาหนึ่งนาทีเมื่อกี้นั่นถามลงไปเอถอะทำลงไปเถอะแล้วก็ไม่ได้ซื้อ เคยน้าทุนกุศลดาตุลจะโยนลูปหลานจะอีพีน้องเมื่อเสียสละมาตอนรับลูกู่หลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรตอนรับมีแต่ให้ข้อศีลพ้อธรรมจะตั้งบอกตั้งใจปฏิบัติตามหลักครรมสรรสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลบุนกุศลทีนี้ส่วนนี้บุญกุศลของคุณ่อพระพุทธเจ้าคุณประทังคุณประสงได้ถึงกษิทั้งหลายก็จงมารวกันจงปกป้องปกปัรักษาคนได้โยนลูกหลาน ดัิตพีน้องตละดทางพระเจ้าประสงค์ต้งมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคไฟตระหานากาำเนิดจึงใด้ปัตตนาจึงไดจงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในรับธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรงภาครัตตงหกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าแล้วตรงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมักเห็โภนเห็นสวรรค์เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิดสาธุสัต เตรียมเตรียมเตรียมพร้อมนักสาธิตสนองเพื่อความพร้อมกันให้นัดหมายกันนะให้โยมกล่าวว่าพุทโตมีนาโถธรรมโมมีนาโถสังโฆมีนาโถตอนว่าโถนี้ให้โค้งลงพระพุทธเจ้าเป็นทิศพึ่งของข้าปเจ้าพระธรรมเป็นทิศพึ้นของข้าไปเจ้าพอเรามาหลายสํานักเราจะได้พร้อมกันเนาะเพื่อควาเป็นระเบียบด้วยครับเตรียมพุทธโตมีนาโถ เราโทมงเโนเมนาสุสามโนเมนาสสาธุนะเป็น่นระเบียบละพอมาหลายทิ่หายทางต้องมีนัดหมายกันเดี๋ยวนะ พวกนี <kiem> mm ้ตามปรประมาณี hmm. ่ลูกประมาณเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบได้หมดห้องงาแค่มาทิศซ้อทิมือไม่หลาพุ่เคยมาแล้วเียวอยู่เขาอาจารย์มานะมันตเสิมอะที่สกรกที่พกข้าพุ่งใหเองที่ข้าพ่กา ธรรมันทร์หนักมากไม่ไม่แถวไปแค่กิกับขึ้นแต่แสวงหนักทีสิเกลานมาูเลยตอนออกเคยนะไมบอกอาจจะมุ่งเที่อาจจะผมกับป้าตุ้งมึงให้อยม่งเทีของซาแล้ว่เผต้องมึงให้ต้องเดินนี มาจันทร์ชมีบอคยมากไปเมื่ออาเคนอันน I mean, ี uh, <such S 1> ้เ <crawl> ม <prejudice> be ื่อีเซตบานหลายเจียวไปท่นน้เขาป็นงแรกของครูเราแปกงของสิรูุ้ครับผมกอเหอาตุ้งคือท่านนี้าตุ้งอยู่น่นแบบผม นั่นแบกคือไปนักข่าสิ่งงภาอี่ไหมนั่นแบก่าผมบอบอคอยน่ข่าวผมวิสบัเดนวิสบเดนรสักใหม่มวิสบเดนานเกลิกอัมาดแค่เกือบร้อยะรอกิโลเป็นโรงเรียนใช่่อ๋อเดี๋ยว่าเช่าใหม่มาซื้อใหม่่ไาัไปบ่อยไปแต่นั่นแบกผมันยยีรูปสารอยู่แต่วันนีไปอยู่แถวๆนั้น มปยดนี่ไก่อรไมถูก็เดี๋ยวมุ่นมากพักเรื่องะไรแต่คุณเคยกับอาหนักแ่ไ่นักพระผดุ เคยไปป่ะเกินไปสองร้อย้ยยี่ิโล่หูเคยจัดอยู่หม้านอาจารย์ไทไทยในพิพัณภาษาอยู่ศปสหมู่เป็นเล็กหน่อยบริการในการไทยงานไทย ก้าวัตตก้าัตรเลดนี่งทำดูดหลายนั่งูเรื่องบอลบอลมญไครับบอมีผมก็จะไปไปจอถึงมไปยู่หันไปไ้ยุ่งกับบอลักเลยอังกฤเยอรมันเท่าไรกว่ายอรมันนังมีสักหลายสิกว่าใช่สิบกว่า ที่มีูก็ตได้สี่สีรือห้ามห้าแล้วมันสนสวยประชุมติดพิธาไฟนั่งยุโรปมาจากเมืองไทยมีมากมีเมืองไทยมีจะุ้นเทียบผมจะุเทบกับจคุ้คคุณลาศักดิ์จะคุ้นคุณลาศักดิ์จะคุ้เทยบอยะเต มีใครสงสัยอะไร่ะรอมเนี่ยใครสงสัยธรรมะปะลงปู่ให้ถามถ้าใครจะถามใครจะกล้าถามไม่สงสัยเยอะค่ะแต่ว่าทำยังไม่ได้ได้ได้ได้ามกำลังเจอะค่ะถ้า ไม่มีคมถามนั่งแต่ตอนนี้ไปถึงสว่างต้องมี่ต้องถามแม่เนี่ยภาษาไทยได้ยนีไงแฟนนีต่างชาติว่าหรอนนี้่างชาติรถเยอรมันภาษไทยได้เตั้งใจตั้งใจเรื่อง ตั้งดูตั้งดูเรื่องไหมมีครอบครัวหมมีครอบควแม่ดเพื่อนเ่นบเพื่อนจะมาคอควา่มตายแล้วพ่อแม่ตายแล้วไม่มีไมมีเพื่อนชายอ่ากีีไม่มีใครควหน้าควรหลังจากเข้าวัดสบาย อยู่คนเดียวเกลี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่ศกอยู่สองคองทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายตะอาดกายเจริญไวสะอาดใจเจริญฉุกมรรคผลนิพพานยังอยู่นะเรียกทำเอาไม่ใช่พระเจ้าเอามรรคผลนิพพานไปแล้ว ยังอยูขอให้ทำจริงเราเกิดมาที่ที่ยากที่สุดนะมาพบจุดนี้พระพุทธเจ้านะหาศีลหาธรรมมาสอนสัตว์โลกเพื่อให้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องมาเกิดเกิดไนะหมเมื่อกี้ดูลมเข้าลมออกหนึ่งนาทีหยุดเกิดหนึ่งนาทีพอหยุดแล้วเห็นเขาสวยก็อยากสวย เห็นเขามีเงินมีทองเส้นใหญ่ๆอยากรวยไปแล้วไปหาหมอนรกแล้วนะใจของคนคุกอยู่ในนรกเอาธรรมะมาแปลนะไม่ได้เอาโลจียะมาแปลนะกาทางโลจียะก็บรรลุรวยก็ดีรวยนะก็ดีไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือมันจะเกิอดอีก แต่ยังไม่ตายยังเห็นนะมันเกิดใช่ไหมเกิดความโลภเกิดความรักดูลงเกิดตรงไหนถานใจเข้าไปดูลงเข้าออกมันเกิดตรงไหน<อ>นะละเอียดต่อไปละเอียดต่ไปเรียบร่มก็ทิงเราไม่เอาอไม่ดูอีกที่ด้วยขอให้ทร ง, ง, งถึงฝังแล้วก็เหมือนมีเรือดถึงถึงฝังแล้วก็เรือก็ลือ จ, จะไปไหน รีบทำเาอายากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ถ้าหากไม่มีคนทำได้พระพุทธเจ้าไม่ได้วางก็ใจพี่โดกเอาไว้นมีอยู่ผู้ที่จะทำได้ขอให้น่าสนใจมีความเพียรพ้นทุกได้ขอความเพียรเพียรพยายามทำเพียรพยายามทำดังที่พูดนั่นแหละถ้าสีทนใ้ความอด ท, ทน ตามหมานางมนโนลาตามหาใจใจของคนไปอยู่ที่ไหนเมืองกูเงิน <c oughs> เห็นไหมมันตัง้งยัเงินไงยัเงินันแหลโนกูฟังกรรมะธรรมามาโนเสถ่ามนโนพยานางมโนลานลาีถ้าเขาฟังแบบโลกๆกก็มีธนูปไปธนูปไปนะะั่นแหละแต่เอาธรรมะเข้ามาแปรโอปนญจิโกนั่นมโน นังมโนดานไปอยู่ที่เมืงเง อ, ม ง, พ ง, มอมมมงพูเงินอยู่ที่ไหนเมืองพูเงินทมอยู่เวยใจเรานั่นเมืองพูเงินมันอยู่ที่ไหนยิ่ทำเอาเี่ยนะาไม่ทาทุกวันศลันพระก็จะปเงขยับ <c oughs> เข้าขยับเข้านานเข้านานเข้าโอยเยอะ นี่หลวงพ่อยังจ้างเด็กๆนักเรียนสิบปียี่สิบปีสิบกว่าปีหรือกว่าเยอะใครถือสิทธิ์แปลให้ถึงกับเรียนจบหลวงพ่อออกค่าเทอมให้ไม่ต้องเอากับพ่อแม่ <c oughs> เกือบถึงไร่คนแล้วนี่ก็จะถูกตำหนงไหมล่ะก็ไปในเรืงหัวลำไปนอกไปกวนหัวดอนน้ำหนัง ไม่ใช่ว่าเอาปีเดียวนะถึอกับจบนะไม่ใช่ว่าเฉพาะขอ้อภรรษานะทุกวันพระปี 1-12 วันไม่ใช่หรือหรือกี่วันวันพะ <c oughs> ระเดือนหนึ่งมี4ี่วันแล้วก็ทำนะนะก็ได้เล็กสิปีก็มี1 2 1 3 1 4สป้าก็มี <c oughs> คิดว่าจะไม่มีใครไปประชุมอุบสุษสามเมื่อกีเมื่อกี้นี่ถามพวกหน่วยเด้ขาอยู่ที่เ <c> ม <oughs> ืองไทยว่าเากือถึงร้รยแล้วหลวงปู่มีเก้าสิสี่คนนด้วางังนโอ้เรยไปปัจเจอได้เสียหลายบาทเนยตาพวกที่เข้าโรงเรียนแผ่นก็เสียหลายบาทนะ <c oughs> ไม่ว่าไว้เขาได้พูดจักเวลาเขาเข้าใจหลักพระพุทธศาสนา เวลาเขาได้เป็นใหญ่มาก็ได้ช่วยจุดนี้ไว้เขาจะช่วยจุดนี้แล้ว <c oughs> เวลาเขาไปเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นอะไรก็เนเ่นหลักเน้นหักเอาไว้ปู่ขวังยังมีเด็กๆเล็กๆอย่างนี้ <c oughs> ก่อนมีอาศัยอยู่ขอวงปู่มีมุนิธีเอาไว้อยู่ <c oughs> เกี่ยวแก่เรื่องทวีตศาตนาหลวงปู่ไม่ว่า<น>แต่เป็ เรื่องโลกหลวงปู่ไม่สงเสรมเลยามาขออา้างวงพระเบ้นหลวงปู่บอกว่าเขาเป็นท่านมากเพื่อสร้างวงบ้านเขามาเพื่อบำรูงพระพุทธศาสนาตั้งเด็กให้มาถัือพุทธศาสนาเข้าใจเรื่องศีลธรรมจะเป็นไรล่ะนั่นคือมันพระเอามานั่งวัหนาพูทเถ่าเนี่อ้านพูดเถ่อนนกทุเอย่าพูทเถ่อเขาก็ตัางน้ำบวตั้คือมือต ไล่หวงเห็ดไทอาหารก็กุ้งเห็ดเห็ดจิ้ว่าเป็นไล่เอาไล่เอาบัดบัดจิมนั้นะโยมบัดไปวัดผมโยมผมเมื่อไกลหน้าผากถูกยาหมองหมออยู่ก็ว่าโยมที่เห็ดเอางังได้ถือว่เสียใจกับคนน้อเห็นชุดนี้ทั้งวันไม่เห็นคำสอนผู้เจ้านาแทบล้มแทบตายมันสอนคนนี่ทำไมไม่บีบหาที่ไหนได้ บ้านมันไม่เช่าทองเดินซื้อผลมาให้แต่ได้เช่าแต่ได้เช่าเอาไไดงไหมปฏิบัติเพื่อไม่ต้องมาเกินแก่แกตาอีกหาที่ไหนได้โอ้ขามเนียงเต อ, อมฟูมีอะไรก็